หลายคนก็คงเคยผ่านการนั่งสมาธิไม่ว่าจะนะแต่และคนไปเรียนรู้มาจากสำนักไตก็ตามนะวันนี้เรามานั่งสมาธิกันในแบบที่เอาแกะมาจากอานาปานสติสุร เริ่มต้นขึ้นมาเราไม่ได้ตั้งใจจะเพ่งให้เกิดความสงบหรือว่าจับให้มั่นคันให้ตายนะว่าลมหายใจมันเข้ามันออกอย่างไรบางคนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาก็ไปจดจ้องบังคับเลยว่าให้ลมเข้าเดี๋ยวนี้ให้ลมออกเดี๋ยวนี้แล้วก็ออกแล้วก็เข้าออกทีทีตั้งออกตั้งใจมากว่า จะให้ความฟุ้งซ่านมันหายไปย่าให้เกิดความสงบทันทีซึ่งผลก็คือมีความเครียดมีความรู้สึกปุ้งซ่านหนักทันทีเช่นกันนั่นเพราะว่าการนั่งสมาธิด้วยความอยากตั้งต้นด้วยอารมณ์อยากอยากได้อยากดีอยากไม่อยากเป็นก็คือตั้งต้นที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนั่นเอง มันไม่ใช่นั่งเพื่อจะให้เกิดความปลอดปรง่งความสะอาดจากอบทานหรือความอยากแต่เป็นการนั่งขึ้นมาพอกพูนความอยากนั่งขึ้นมาเร่งความอยากให้มันทวีขึ้นอยากเดิมที่ปุงสั้นอยู่ดีๆนะไปอยากหายพุงสัน้นทำให้ความพุงสั้นมันกําเริบหนักขึ้นเป็นสองเท่า เราก็โทษว่าการนั่งสมาธิไม่ได้ผลหรือว่าอาณาปานสติไม่เหมาะกับตนเองจริงๆแล้วอาณาปานสติไม่ใช่การนั่ง่งจ้องลมแต่เป็นการเอาลมหายใจมาเป็นตัวตั้งในการเจริญสติตขึ้นต้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีสภาพทางกาย พร้อมที่จะเป็นสมาธิพร้อมที่จ ะ, จะเจริญอาณาปานสติคนส่วนใหญ่มีภาวะที่ไม่พร้อมทางกายอยู่สำรวจสังเกตได้เลยเนี่ยนั่งเก้าอี้อย่างนี้เนี่ยนะไล่สำรวจมาเลยฝ่าเท้าของเราวางราบอยู่กับพื้นสบายสบายไหมถ้าหากว่ามันมีอาการงุ้มมันมีอาการเหมือนกับกล้ามเนื้อยังทํางานอยู่เหมือนกับพร้อมจะเดินเหมือนกับพร้อมจะลุก อั น, นี่อย่างนี้ไม่สบายแล้วแต่ถ้าหากว่าเราผ่อนพักทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนในป่าเท้านี่มันมีอาการผ่อนคลายเราจะรู้สึกสบายขึ้นมาที่พื้นจิตพื้นใจนั่นก็เพราะว่าป่าเท้าเนี่ยเป็นเครื่องสะท้อนนะว่า จิตใจของเราพื้นจิตพื้นใจของเรามันสบายอยู่หรือว่ามีอาการเกร็งอยู่มีอาการฟุ้งซ่านเคร่งเครียดอยู่ฝ่าเท้าผ่อนคลายได้พื้นจิตพื้นใจก็สบายได้พอไล่สำรวจสังเกตขึ้นมาฝ่ามือที่วางอยู่กับหน้าตักเนี่ยมันวางราบสบายสบายอยู่หรือเปล่าฝ่ามืออยู่ในอาการปล่อยหรือเปล่า ความปล่อยวางเนี่ยสั ญ, ญลักษณ์ก็คือมือที่แบไม่ใช่มือที่กำก็เพราะว่าความรู้สึกถึงอาการกำก็คืออาการยึดมั่นถือมั่นอาการที่จะเอาอะไรไว้เป็นของของเราตอเมื่อมือมัอมอมนแบออกวางสบายไม่ได้กำอะไรตรงนั้นแหละก็เกิดความรู้สึกว่างขึ้นมาที่ฝ่ามือ ตอนนี้เราว่างขึ้นมาไล่จักฝ่าเท้าขึ้นมาหาฝ่ามือความว่างของฝ่าเท้าแล้วก็ฝ่ามือเนี่ยนะมันจะทำให้เราสบายขึ้นมาครึ่งตัวจากนั้นจุดสุดท้ายลองสังเกตตัวทั้งใบหน้ามีอาการขมวดอยู่ไหมมีอาการตึงไหมถ้าหากว่ามีอาการขมวดอยู่มีอาการตึงอยู่ก็ให้คลายออกซะ คลายได้ทั้งหมดมันจะรู้สึกเบาไปทั้งตัวนั่นเพราะว่ากล้ามเนื้อของทั่วร่างกายเนี่ยนะมาฝากอยู่แค่สามจุดนี่แหละมายงกับสามจุดหลักๆนี่แหละป่าเท้าฝ่ามือกับใบหน้าเนี่ยถ้าสามจุดนี้ผ่อนคลายร่างกายทั้งหมดมันก็ผ่อนพักตามไปด้วยในอาการผ่อนพักนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะ มานอนหลับหรือว่ามาทำใ ห, ให้อยู่ในสภาพพักผ่อนเฉยๆกอให้สังเกตดูด้วยว่าการรู้เข้ามาที่ฝ่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกถึงอิริยาบทนั่งคอตั้งหลังตรงอยู่อย่างนี้การที่เราสามารถรู้เนื้อรู้ตัวมีสติรู้เนื้อรู้ตัวได้ นี่ก็เรียกว่าเป็นการสร้างสติผ่านการรู้สึกทางกายทางเอริยาบทนั่งได้อย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่มานั่งเพ่งร่างกายนั่งทื่อๆนะไม่ใช่มาดูว่าเออร่างกายมันอยู่ในท่านั่งนี้เฉยๆเหมือนต้นต้นไม้ต้นปืนแต่ดูรายละเอียดการทํางานของ เอเรียบทนั่งนี่ด้วยมันมีการทำงานอยู่มันไม่ได้อยู่นิ่งๆทื่อๆเป็นขอนไม้บางคนเนี่ยนะตั้งสติพยายามที่จะดูร่า ง, างกายเนี่ยไปดูผิดจุดคือไปล็อกดูสภาพร่างกายอย่างนี้มันมีความรู้สึกเหมือนกับไปสะกดให้ร่างกายมันนิ่งทื่ออยู่ในท่านั่งนี่เฉยๆ ไม่รู้สึกระท่งว่าร่างกายนี้กำลังหายใจอยู่เราจะเจริญสติเห็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรายละเอียดตรงนั้นด้วยไม่ใช่นั่งนิ่งทื่ออยู่เฉ ย, ยๆลองถามตัวเองว่าขนาดนี้ร่างกายมันต้องการลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกหรือเปล่าถ้าหากร่างกายต้องการลมหายใจเข้านี่ มันจะขาดลมมันจะหิวลมาหายใจเข้ามาจนสุดมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะแน่นอกละตรงนั้นก็ถึงเวลาที่ร่างกายจะผ่อนระบายลมหายใจออกไปและเมื่อร่างกายได้ขับเอาลมหายใจออกไปหมดแล้วก็สำรวจดู จริงๆแล้วยังไม่ต้องรีบเร่งเอาลมหายใจใหม่เข้ามาก็ได้ร่างกายสามารถนั่งนิ่งอยู่เฉยๆด้วยความรู้สึกปลอดโปร่งไม่มีอาการไหวติงไม่ได้มีอาการหิวลมหายใจขึ้นมาทันทีทันใดการที่เราสามารถเห็นจังหวะของร่างกายตามจริงได้ตรงกับธรรมชาติ อย่างนี้เราปรับโจ์เราเราปรับเท่ากับเราปรับโหมดของจิตนะให้เข้าไปอยู่ในภาวะรู้ไม่ใช่อยู่ในโหมดปกติโหมดปกติของจิตเป็นยังไงมันมีแต่อาการรีบเร่งมันมีแต่อาการอยากอยากโน่นอยากนี่แม้กระทั่งนั่งสมาธินั่งให้จิตมีความนิ่งความว่างมันก็กระโดดไปกระโดดมา อยากให้จิตสงบบ้างอยากจะรู้ลมหายใจให้ชัดบ้างอยากจะได้ฌานได้ญาณบ้างแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในสภาพที่มีอาการตั้งรู้อย่างเดียวตั้งรับอย่างเดียวร่างกายถึงเวลาหายใจเข้าเราถึงหายใจเข้าร่างกายถึงเวลาหายใจออกเราถึงหายใจออกถ้าร่างกายไม่ได้ต้องการทั้งลมเข้าลมออก ก็หยุดนิ่งไม่ไหวติงมีอาการปลอดโปร่งอาการปลอดโปร่งมีความสบายนั่นแหละอาการหนึ่งของสมาธิแลนะ้วอาการที่สามารถรู้สึกถึงลมหายใจเข้าสบายสบายได้ด้วยความสดชื่นอาการรู้สึกถึง ลมหายใจที่ระบายออกไปด้วยความผ่อนคลายจากอาการอึดอัดนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสมาธิเช่นกันแต่ถ้ามีอาการรู้สึกผีผามเหมือนจะเร่งลมหายใจให้เข้าเหมือนจะเร่งลมหายใจให้ออกเหมือนจะอยากสงบถามตัวเองว่าทำไมไม่สงบสททัทีทำไมไม่หายฟุงงร้านสัก ท, ที อาการแบบนี้ไม่ใช่อาการของจิตที่กำลังจะเป็นสมาธิแต่เป็นอาการของจิตที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะเคร่งเครียดจะเอาอย่างใจตัวเองจะเอาให้ได้ตามใจตัวเองเมื่อจิตเข้าโหมดรับรู้อย่างเดียว เราจะเริ่มเห็นว่าลมหายใจเนี่ยที่มันเข้าที่มันออกนี่จริงๆแล้วมันเป็นคนละชุดกันนะปกติเราจะนึกว่าลมหายใจเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นลมหายใจเดิมๆมันรรู้สึกว่าเป็นลมหายใจของเราไอตัวความรู้สึกว่าเป็นลมหายใจของเราเนี่ยแหละที่ทําให้เกิดความสำคัญผิดเกิดอุปทานไปว่าเป็นลมหายใจของเราอันเดิมแต่พอมานั่ง ดูอยู่ด้วยอาการที่ยอมรับสภาพตามที่มันเกิดขึ้นนะไม่มีอาการเร่งไม่มีอาการบีบคั้นใจมันปลอดโปร่งเข้ามันก็เริ่มเห็นความจริงว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะมันมีแต่ธาตุลมแสดงอาการพัดเข้าแสดงอาการพัดออกพัดเข้าพัดออกพัดเข้าพัดออกอยู่อย่างนี้มันไม่มีอารมณ์ระลอกใดระลอกหนึ่งที่มันเป็นชุดเดียวกันเลย มันเป็นคนละชุดกันตลอดยิ่งเมื่อสามารถเห็นนะว่าร่างกายไม่ได้ต้องการดึงลมเข้ายาวๆอย่างเดียวไม่ได้ต้องการดึงลมเข้าสั้นๆอย่างเดียวมันสลับกันเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวนี่มันยิ่งเห็นชัดคนละลมกันชัดๆเลย น, นี่แหละที่พระพุทธเจ้า ให้ไว้เป็นหลักตั้งของอาณาปานสติหรือว่ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกแล้วก็รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลามันลากเข้ายาวเมื่อไหรที่ถึงเวลามันลากเข้าสั้นทั้งเข้าทั้งออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นอยู่อย่างนี้มันจะเริ่มทําให้จิตถอยออกไปเป็นผู้สังเกตการ นั่นเพราะธรรมชาติของจิตนะ mm. เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งแสดงความไม่เที่ยงอยู่จิตจะถอยออกไปเป็นผู้สังเกตการผู้รู้ผู้ดูอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอานาปานสติว่า mm. เมื่อสังเกตอยู่ว่า mm. ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจยาวลมหายใจสั้น mm. ก็ให้สำเนียกว่าเราจะเป็นผู้รู้ผู้ดูกองลมทั้งปวง นี่ตัวนี้แหละที่จิตเข้าไปอยู่ในภาวะผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นจริงๆไม่ใช่ผู้อยากเอาไม่ใช่ผู้ที่ทึกทักเอาไม่ใช่ผู้ที่บงการเอาจิตที่สามารถรู้เห็นลมหายใจไม่เที่ยงได้เป็นจิตเดียวกันกับที่สามารถจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏในขอบเขตของกายใจนี้แสดงความไม่เที่ยงอยู่ ยังพอเห็นลมหายใจเข้าบ้างออกบ้างยาวบ้างสั้นบ้างเนี่ยมันก็เห็นว่าลมหายใจเข้าที่ไหนออกที่ไหนมันก็อยู่ในอริยาบทนั่งนี่แหละตัวที่มันรู้สึกถึงอริยบทนั่งก็ตั้งหลังตรงนะเท้าสบายมือสบายใบหน้าสบายมันปรากฏแสดงอยู่อย่างนั้นริยบทนั่งไม่ใช่นั่งอยู่ทื่อๆเป็นก้อนหินแต่ว่านั่งอย่างมีลมหายใจเข้าออก ตัวนี้สติมันเริ่มเจริญขึ้นเมื่อสติเริ่มเจริญขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าลมหายใจไม่เทียเ่ยงนะมันก็จะเกิดความรู้สึกเบาเกิดความรู้สึกสบายปลอดโปร่งความปลอดโปร่งความเบาสบายนั่นแหละคือความสุขลักษณะของความสุขเนี่ยมันมีความไม่หนักมันมีความปลอดโปร่งมันมีความไม่ทึบนะมันมีอาการที่สว่างมันมีอาการที่เปิดกว้างออกไป ลักษณะความเกิดเปิดกว้างลักษณะความสว่างที่ปรากฏอยู่ชัดๆในขณะที่เรารู้สึกถึงลมหายใจนี้มันก็กำลังแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอยู่เหมือนกันว่าบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็กว้างมากบางครั้งแค่รู้สึกเหมือนริบหรีบางครั้งรู้สึกว่าเปิดออกไปแคบๆแล้วก็หุบกลับเข้ามาใหม่ถ้าใครฟุ้งซ่านมากก็กลับไป เริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนะสังเกตไล่ขึ้นมาป่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าถ้าปุ๋งซ่านหนักๆเนี่ยจะเห็นเลยว่าอาการของร่างกายมันมีความเกรง็งมันมีอาการกรำมันมีอาการงองอุ้มนัม่นมีอาการขมวดอย่างไรอย่างหนึ่งอยู่เรามาสามารถรับรู้ได้ถึงอาการผิดปกติทางกายเหล่านั้นมันก็สามารถคืนกลับเป็นปกติได้ใหม่ แล้วก็ไล่เข้ามาตามเส้นทางเดิมนะเห็นลมหายใจเข้าออกสั้นยาวแล้วก็จะรู้สึกถึงสภาวะของใจที่กลายเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้อยากผู้บังคับเอาแล้วมันก็จะมีความเบาความปลอดโปร่งของจิตที่เรียกว่าความสุขความสุขนั้นก็กำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เช่นกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังปรากฏภายในขอบเขตของกายใจของเราเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของความรู้สึกว่ามีเราแน่ๆมีตัวตนของเราแน่ๆมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าอุบวชขึ้นมาเพื่อที่จะชี้ให้เห็นอย่างนี้แหละเมื่อชี้ให้เห็นอย่างนี้แล้วแล้วเราเห็นบ่อยเข้ามันก็จะเกิดความรู้สึกว่าอุปาทานค่อยๆลดลง ในความสําคัญมั่นหมายผิดๆมันค่อยๆลดลงในความรู้สึกว่ามีเราแน่ๆเนี่ยมันกลายเป็นไม่แน่ซะแล้วมันกลายเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเออไอที่สําคัญมั่นหมายมาตลอดว่าเป็นที่ตั้งของตัวตนเนี่ยที่แท้มันเป็นที่ตั้งของความแตกพังต่างหากมันแตกพังให้เห็นอยู่ทีละครั้งทีละหน แต่ทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยมีแต่ความรู้สึกอยากจะให้มันอยู่กับเรานานๆอยากจะให้มันอยู่คงสภาพตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่ามันคงสภาพดีๆมันคงสภาพน่าเอาเมื่อนี้จะเรียกร้องแต่ถ้าอยู่ในสภาพไม่ดีเราถึงจะไม่อยากถือเอาตัวที่อยากถือเอาในขณะที่มันดีๆเนี่ยอันนี้เาเรียกว่าภาวะตัญหา มีอาการทยานยืนออกไปจะกอดรัดเข้ามาหาตัวส่วนภาวะไม่ดีแล้วไม่อยากถือเอาเนี่ยมีภาวะมีแรงผลักจากใจที่อยากขับใสไปให้พ้นตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าวิพวสะัญหาตัวไม่อยากเอามันมีอาการดิ้นรนเหมือนเหมือนกัน แต่เป็นการดิ้นรนแบบผลักออกไม่ใช่ว่าดึงดูดเข้ามารัดดึงดูดเข้ามากอดเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ความจริงตรงนี้เนี่ยคือเห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนไว้ทั้งหมดเลยคือเราเห็นตัวตั้งเป็นร่างกายอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเหยื่อล่อให้จิตเข้าไปตะครุบ เข้าไปยึดว่าเนี่ยเป็นตัวตนแน่ๆ แ, แล้วอาการอยากทั้งหลายที่เกิดขึ้นสืบเนื่องกันกับร่างกายมันก็เป็นตัวที่ไปเร่งให้เกิดความสำคัญผิดไปเร่งให้เกิดความอยากแบบผิดๆทาให้อยากจะมีตัวตนอยากจะมีอะไรดีๆไว้เสพ แต่ถ้าเมื่อไหร่ความสำคัญผิดตรงนี้หายไปใความทยานอยากมันก็พลอยหมดกำลังหมดอริสตามไปด้วย